ธรรมะแปลว่าสภาพทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่ว <c oughs> <c oughs> และให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว <c oughs> มีทุ ก, กติอบายภูมิเป็นต้นนี่เนะคํคำว่าธรรมะในที่นี้หมายเอาธรรมะที่เป็นกุศล <c oughs> ไม่ไม่ได้หมายเอาธรรมะที่เป็นฝ่ายอากุศลอย่าเพิ่งเข้าใจธรรมธรรมชาติคือความดีเหล่านี้นะบุคคลต้องกระทาถ้าไม่กระทาก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นพเพราะพระพุทธเจ้ายัางได้ทรงตรัสด้วยว่าเจตนาหางภิกเวกัมมังวดามิ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 นั่นตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้นี่นะคําว่าเจตนานั่นนะทีนี้เจตนาในทีน่นี้มันก็มีสิ่งที่ประกอบทําให้เกิดเป็นบาปทําให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้อเจตนาที่เป็นบาปนั้นมันต้องมีความโลภความโกรธความหลงสนับสนุน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 เมื่อบุคคลไม่โลภคือไม่รู้อำนาจแก่ความอยากและอย่างนี้บุคคลผู้นั้นจะต้องใช้ปัญญาก่อนที่จะบริโภคสิ่งใดเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าจะว่ากันให้ละเอียดลงไปแล้วก็นับตั้งแต่บุหรี่นี่แหละเป็นต้นไปต่อจากบุหรี่ก็สุราเมลัยแล้วก็กัญชายาฟินเฮโรอิน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 โรคภัยก็กำเริบขึ้นอย่างนี้ <c oughs> นี่แหละพระศ า, าสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะมีโอนิโสมนัสสิการก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องคิดต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไ <c oughs> อเราบริโภคอาหารนี่ <c oughs> ก็เพื่อประทังชีวิตเป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคือหนึ่ง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 มันก็จะมาแย่งชิงเอา <c oughs> นี่เมื่อเราผู้เป็นครรภัตครองเรือนนะก่อนจะบริโภคสมบัติอะไรเราพิจารณาเสียก่อนเมื่อพี่นาตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่ว่านั่นแล้วได้สมบัติต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเราก็แบ่งสันปันส่วนทำประโยชน์ดังกล่าวมานั้นให้มันเป็นไปด้วยดี <c oughs>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 ถึงจ้องได้มาเกิดในโลกนี้อีกอืแต่ก็ยังดีบุญกุศลยังส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ให้คิดถึงตัวเองอย่างนี้ถ้าว่าตนมีบาปติดตัวมาแล้วตนจะไม่ได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่เลยจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปอืเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเมื่อบุญกุศล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 ผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิอันเจริญรุ่งเรืองเช่นมารดาบิดดาครูวาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์หรือเจ้านายผู้มีคุณต่อประชาราตรสระ น, นินะก็ต้องแสดงความเคารพนมน้อมต่อทีนี้เรื่องศาสนาแล้วเราก็ต้องเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์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 ประสูตรหมายความว่าสถานที่พระพุทธองค์ประสูตรแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงตัดสรู้นั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรประวัติตนสูตรนั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วสถานที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานนั่นเป็นแห่งที่สี่อันนี้แหละ พระองค์ทรงสแสดงว่าเป็นสังเวชนิยสถานเป็นสถานที่ควรสังเวชสรดใจอันนี้เนียเป็นหลักฐานพยานว่าวัตถุปูชาสถานต่างๆโมนี่นะพระศาสดาไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ให้สาวกกราบไหว้บูชาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธ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 นี่เราเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทิภาคเจ้าทรงเน้นนำแก่พระอานนท์ในครั้งนั้นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีลูกพระพุทธเจ้าไหว้กราบไหว้บูชาอย่างนี้นวัขัดต่อพระโอวาทข้อนี้เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรถือเอาเป็นตัวอย่าง <c oughs> ทีนี้การกราบการไหว้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 คนผู้นั้นยอมเต็มไปด้วยทิฐิมานะเลยทิฐิมานะไม่ได้อ่อนลงเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการกราบการไหว้นี่นะได้ผลเพียงนิดหน่อยถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันได้ผลคุ้มค่าจริงๆเนอ ะ, อะมันยังแต่ครั้งพทธเจ้าเสด็จไปสู่สวนตา น, นุ่มที่ของพระเจ้าพิมิสานั่นเลย เมื่อคนในกรุงก็จะขึ้นไปเฝ้านั้นเขาไม่เคารพไม่กราบไหว้เพราะองค์ก็ไม่แสดงธรรมอ่ะอย่างนี้เพราะเขายังถือทิ่ฐิมามาหนะ้าแข็งกะระล้างอยู่ต่อเมื่อพระองค์ทรงใช้อุบายต่างๆให้คนเหล่านั้นเขารู้ว่าพราะองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงเขากราบเขาไหว้เขาเคารพนับถือละต่อจากนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมคืออนุบุพิกถา นี่ทานศีลอแล้วก็แสดงถึงผลแห่งทานศีลนั้นพาไป เ, เกิดสวรรค์อย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ทรงแสดงโทษของกรารมเดี๋ยว่าแสดงทําให้สูงขึ้นไปโดยลําดับแล้วก็ต่อจากนั้นก็แสดงถึงอานิสง์ที่บุคคลถอนตนออกจากกรรมว่าจะเป็นผู้บรรลุ ถ, ถึงซึ่งวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา คนทุกภายในสงสารไปได้ <c oughs> นี่แหละที่พระศาสดาทรงแสดงอนุบุพีคาถาโปรดพระเจ้าพิมพิาสารและบริษัทธบริวารข้างนั้น่กะก็โดยที่คนเหล่านั้นได้เคารพนับถือพระองค์แต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้พระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมเลยนีน่เราคิดดูพวกาพอขืนแสดงไปมัน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 ไอ้คำว่าความเคารพนี่นะได้แก่การที่เราเคารพต่อธรรมต่อวินัยไม่ล่วงอเช่นพระวินัยอย่างเนี้ยเราไม่ล่วงเกินอย่างนีนะ้เมื่อศึกษารู้แล้วว่าเรื่องนี้พระองค์เจ้าทรงห้ามอย่างเนี้ยเราก็ไม่ทําไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียก ว, ว่าเคารพต่อพระวินัยทีนี้ถ้าหาว่าได้พลั้งเผลอทําลงไปก็สารับ ภาพผิดต่อภิกษุรูปได้รูปหนึ่งแล้วปฏิ ญ, ญาณว่าจากสํารวมระวังต่อไปที่ท่านเรียกว่าสแสดงอาบัติอันนี้เคารพต่อธรรมบนี่เคารพต่อธรรมก็เคารพต่อความภาคเพียรพยายามนั่นแหละไม่นั่งนั่งนอนๆอ น, น, อ, นอยู่เฉยเฉยเรียกว่าเป็นผู้มีสติปลูกตนให้ตื่นอยู่เสมอให้ทําความเพียรสํารวม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 สังขารที่ไม่มีใจครองก็ได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายอะไรต่ออะไรหมุนนี่นหะวัตถุสิ่งขอ ง, งต่างๆผ้านุ่งผ้าหม่มเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆหมนนี่นะเครื่องอำนวยความสะดวกให้อันอยู่รอบตัวหมูนนี่นะนี่กระจัดว่าเป็นสังขารเหมือนกันนะอย่าไปลืมะต้องอย่าไปสาคัญวปาของเราของเขา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 เราใช้เป็นมันก็มีคุณอย่างมหาหันทีเดียวนะถ้าว่าใช้ไม่เป็นแล้วมันก็มีโทษอันนั้นเหมือนกันอ่ะอ่าเป็นอย่างนั้นไปใช้มันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใช้มันไปผูกพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆหมดนั่นนะมันก็มีแต่โทษทับถมเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่บุคคลมาเลือกใช้ ขันห้านี้ให้เป็นไปตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเอาผู้เป็นเครือข่าครองเรือนก็ใช้ขันหานี้อ่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าครูเจ้าแนะนําสั่งสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่างไรอผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ต้อง